3. วิปัสนาทำเพื่อรู้ทุกข์ไม่ใช่แก้ทุกข์วิธีแก้ทุกข์มีหลายอย่างหลายระดับหลายขั้นถ้าแก้ด้วยวิปัสนาเราไม่แก้ทุกข์แต่เราจะเรียนรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ละแต่ท่านให้ละความอยากเราอยากให้หายทุกข์ใช่ไหมให้รู้ทันความอยากนะให้ความอยากดับไปแล้วเราก็รู้ทุกข์ไปอย่างสบายใจ ถ้าความทุกข์มันวนมาอีกแล้วปล่อยวางไม่ได้ให้รู้ทันตัวเองว่าเรากำลังมีโทสะเกิดขึ้นเราเกลียดความทุกข์รู้สึกไหมเราไม่ชอบมันให้ดูตรงที่ไม่ชอบความทุกข์ฉะนั้นใจอยากหายทุกข์ให้รู้ตรงที่ไม่ชอบให้รู้อย่างเดียวต่อไปเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางหมายถึงอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆไม่ดีใจไม่เสียใจ